การที่เราทั้งหลายจะได้พบได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งมุ่งมุ่งหน้าปฏิบัติศีลธรรมมาโดยลำดับแล้วมาปรากฏคงท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายทมท่านแสดงไว้ว่าสมนานันทัดสนม การเห็นสมาณนะคือผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายนั้นเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนีประการหนึ่งประการที่สองสมมานนุตติยาคือการเห็นสมณนะผู้สงบกายวาจาใจจากบาปนั้นเป็นการเห็นอันสูงสุด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 แล้วนำมาชี้แจงแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุวริณสัตเป็นต้นด้วยสวาสาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่คือศาสจดาองค์เอกธรรมก็เป็นธรรมชั้นเอกแนะนำสั่งสอนด้วยธรรมชั้นเอกนั่นให้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ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 อาการลิโกการปฏิบัติบำเพ็ญของผู้มุ่งอัดมุ่งทมทั้งหลายยังมีอยู่มรรคผลนิพพานหรืออริยบุคคลทั้งสี่ประเภทหรือสมนาสีประเภทนี้ย่อมเป็นเงาเทีย ม, ยมตัวต้องได้รับมรรครับผลเป็นลำดับลำดามาจึงสมชื่อสมนาม ว, ว่าศาสดาวงเอง ไม่ใช่าศาสดาหลอกลวงโลกลวงสงสารมักผลิพานกล่าวถึงแต่หาความจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในาศาสดาของพวกเราทั้งหลายเป็นาศาสดาโอเอรทมอันเอกผู้ปฏิบัติธรรมตามาศาสนาธรรถถมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นย่อมบรรลุมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาะ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 มีเป็นศาสนาที่ทมที่ประกาศท้าทายต่อความจริงทั้งหลายตลอดมาที่ท่านทั้งหลายที่เป็นพระจำนวนมากมายอุตสาหปฏิบัติตามอัตธรรมทั้งหลายก็พึงสังรวมระวังกายวาจาใจของตนตามแนวทางแห่งศาสดาที่ทรงประกาศธรรมไม่เรียบร้อยแล้วคือผ้าปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่เราบวชบวชมามีศีลด้วยกันสมาทานศีลจากอุปชา ม, มาโดยเรียบร้อยเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วขณะที่ได้ประกาศตนเป็นผู้ม้รับศีลรับศีลมาเป็นลำดับนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติประจำกายวาจาใจของเราตลอดมา จากนั้นก็ปฏิบัติทางร้านอัจ ด, ด้านธรรมให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นลำดับลำดาอยู่สถานที่ใดให้พึงเป็นคู่สังรวมระหว่างมีหีริโอตปะประจําใจสังรวมอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยไปที่ใดมาที่ใดอย่าให้ขาดสติ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 สังรวมระหว่างศีลของตนอยากให้ด่างพร้อยจะ ก, กลายเป็นพระขาดบาทขาดตาเต็งไปศีลไม่ครบองค์ของศีลที่ประทานไว้แล้วรับมาแล้วทำมามาทำให้ด่างพร้อยขาดทะลุสูญสิ้นไปหมดเหลือแต่โมฆะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งร้ายกว่าประชาชนที่เขาไม่มีศีลมีธรรมีก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 อันจะก่อให้เกิดความดัดล่อนไม่หนึ่งจิตใจก็พุ่งเข้าสู่จิตตะภาวนาโดยไม่มีความละแค่ละขายกับสิ่งใดด้วยความ ม, มีสติคือการภาวนาท่านตั้งหลายผู้บำเพ็ญมายังไม่ค่อยเข้าใจก็มีอยู่มากผู้เข้าใจแล้วก็พึงทราว่าให้เพิ่มเติมความเข้าถกเข้าใจของตน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 นี่คือเรื่องกิเลสทำงานบนหัวใจเราต่อจากนั้นเราก็ให้เอางานของธรรมะคือคำบริกรรมเข้าแทนที่ไปแล้วทำงานในด้านธรรมะปิดทางด้านความคิดโดยที่กิเลสพาชุดลากไปมีด้านธรรมะขึ้นทำหน้าที่แทนทำหน้าที่แทนไปเรื่อยๆ มาให้กิเลสมันมีโอกาสทำงานชิดปรุงเราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจนี้เป็นวิธีตั้งรากตั้งฐานแห่งความสงบในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าพากันทาสูมสี่สูมห้านึกถึงบรีกรรมนึกถึงภาวนาเมื่อไหร่ก็มีสติแยบหนึ่งแยบหนึ่งแล้วมานึกถึงทำบรีกรรม คำใดก็เพียงคำสองคำหายไปนอกจากนั้นมีแต่กิเลสเอาความชิดความปรุงไปถลุเสียทั้งวันทั้งคืนแล้วผลรายได้ก็คือความทุกข์ความดอดร้อนภายในใจหาหลักฐานมั่นคงภายในใจไม่ได้ทั้งๆที่ตัอตนก็สำคัญว่าตนเป็นนักภาวนาแต่ความจริงนักภาวนามีเพียงอย่างมากห้าเปอร์เซน เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นเรื่องของเจเลตเอาไปถลุเสียทั้งหมดมันก็ไม่คุ้มค่ากันที่เองผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุอย่างนี้เองถ้าเราต้องการให้ได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาให้พากันตั้งอกตั้งใจลำเดินทางด้านภาวนาดังที่กล่าวแล้วนี้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 ไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องก่อขวดแต่ก่อนเราหิวโหยกับอารมณ์นั้นๆถ้าไม่ได้คิดได้ปรุงไม่ได้ดิ้นรนกระวนกวายอยากคิดอยากปรุงไม่แล้วไม่เลิกกันกักรีสร้างแต่กองทุกข์มาให้ตัวเองทีนี่เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุงทั้งหลายหมุนตัวอยู่กับ ความเย็นความแน่นหนามั่นคงของใจเป็นเอกกตากิจเอกตาลงประจําใจความรู้เพียงจิตได้ดิ่งลงสู่สมาธินี่เท่านั้นก็ปรากฏว่าเป็นทิพาคูมใจไม่มีคําว่าอิ่มพอมีแต่ความดูดดื่มอยู่ด้วยความเย็นใจสบายใจตลอดเวลาเพราะเหตุนี้เองสมาธิจึงทําให้ผู้บําเพ็ญ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 อันนี้อยากอันนั้นกินอันนั้นดื่มอันนั้นเบื่อหนายนั้นมาดื่มอันนี้เบื่อหนคิดเรื่องนั้นเบื่อหนายนั้นมากคิดเรื่องนี้นี่เรื่องของอารมณ์ของเิเลสถ้ารดก็เป็นอารมณ์ของทเทเลสมีความลื่นเลงเชื่อชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เอาไฟเข้ามาเผาในฉากหลังนั่นแหละนี่คืออารมณ์ของทเทเลสแต่อารมณ์ของธรรม อยู่ด้วยความดืดดื่มแห่งความสงบเย็นใจนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสบายหมดท่านผู้ทรงสมาธิรมด้วยการภาวนาของตงนนี่อีนนี้เมื่อเวลาจิตมีความสงบเย็นใจเป็นรากเป็นฐานได้พอก้าวเดินทางด้านปัญญาแล้วให้ ขอให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาอย่าอยู่กับสมาธิจะกลายเป็นนอนจมกับสมาธิแล้วอาจะเป็นหมูขึ้นเฉียงไปนี่จึงต้องแยกจิตออกจากสมาธิแล้วก้าวเดินทางด้านปัญญาเมื่อเรามีความผาสุกเยางใจจิตใจอิ่มพอกับสมาธินี่แล้วให้ก้าวเดินออกทางด้านปัญญาปัญญานี้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 มาตกแต่งผิวมันเพียงบางๆเท่านั้นไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยนะคนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตาให้หลงได้ถนักชัดเจนก็คือผิวหนังนี่เท่านั้นจึงประดับประดาตกแต่งทุกอย่างที่จะทำให้หลงหนักเข้าไปทีนี้เราพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องหนังพิจนารณาหนังภายนอกเป็นผิวบางๆ หลอกคนอภพิกเข้าไปภายในดูหนังภายในจากนั้นก็นดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกตับไตไส้ผุมในร่างกายของเหล่านี้เหมอนคืออะไรนี่คือปัญญาจะพิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญปิดว่าเป็นของสวยของงามให้ลงสู้ความจริงความจริงก็คือว่า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 บ้านเรือนแต่ละหลังล้หลังสร้างขึ้นมากี่ห้องกี่หับก็ว่าเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอานพอคนเขาไปอยู่ที่ใดอืนําสิ่งเหล่านี้เข้าม า, าคล้าเคล้ากับขนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องห่มม า, าคล้าคล้ากับขนกลายเป็นของสปกปรกประจำตามกันหมดแม้สิ่งเหล่านั้นจะสะอาดก็เพราะว่าร่างกายมีหาความสะาดไม่ได้ต้อง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 ในเรื่องนี่จนกระทั่งถึงตับไตใส่ภูมิอาหารเก่าอาหารใหม่ถึงส่วมถึงฐานในภูมิของเราดูแล้วทบทวนหลายครั้งหลายหนดูเพ่งเร่งด้วยสติด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งสติปัญญามีความค่องแคล่วแกรา้าดูอายวะของตัวนั่นเองเหมือนที่แรกก็เหมือนกันกันกบเราฝึกขัดเขียนหนังสือทั้งเขียนทั้งละละเกะลากะ เขียนแล้วลบเล่าเพราะเขียนไม่ชำนาญมันก็ไม่ถูกตัวแลวเลอะเอทอะที่นี่เวลาฝึกหัดเขียนไปไหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาอ่านก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อเวลามีความชำนาญในการฉีดเขียนแล้วพอ ม, มองดูภาพตอนนี้มันก็รูปเขียนกกเขียนวัดไปเลยนะเนี่ย เพราะความจำนานของการเขียนอ่านก็แบบเดียวกันอ่านวัดไปเลยนี่คือความจำนานการพิจารณาทางด้านปัญญาที่แรกก็ถูถายไปมาล้มลุกคุกคานเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเป็นหินลับปัญญาผมขนแล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกอย่างเป็นหินลับปัญญา ปัญญาจะโคมกราขึ้นด้วยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆ ซ, ซากๆจิตใจก็จะมีความสว่างสวยและคล่องตัวขึ้นมาเป็นลำดับนี่นหละหลักฐานเบื้องต้นที่จะเปิดทางเพื่อมรรคผลนิพพานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือส่วนร่างกายนี้แหละที่มันปกปิดกำ บ, บงังภูเขาทั้งลูกเป็นหนาแน่นยิ่งกว่า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 ถ้าแยกขันออกไปเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟแยกลงไปเป็นอนิจจังแปรสภาพทุกขังบีบบี้สีไฟตลอดเวลาอนัตตาหาความเป็นของสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทั้งทั้งตีโลกนีดถือกันตลอดมาก็เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นของไทยนี่แยกออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาซ้ําๆำสักสัก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 จะรวดเร็วถาว้าเป็นอรุยภาพเพิเดียวเป็นอรุภาพหมดทั้งหลางทั้งเขาทั้งเหล่านัน้นพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นที่พอใจแล้วจิตใจของเรามีความแน่นหนามัน่นคงเอาทดสอบดูการพริจารณาอรุภาพอริยังนี้สิ่งเป็นพื้นฐานควรแต่าการที่จะถอดถอนการมมรรคเล็ได้แล้วด้วยการพริจารณาร่างกายนี่ช่ำชองแล้วให้กาหนด อาจุพะอาุปังที่เราพิจารณาอย่างช่ำชองคือให้แตกให้ดับเร็วก็ได้ให้ช้าก็ได้ให้ตั้งอยู่เป็นที่เป็นฐานไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำลายก็ได้เมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วเรียาเราทำได้ตามต้องการเอาที่นี้เอาความคล่องแคล่วของจิตใจเราที่ทำอย่างนี้นั้นกำหนดอาจุพอสุปังเอามาตั้งที่หน้าของเราที่นั่งภาวนาอยู่นี่แหละเอามาตั้งดูอา้า อาจุปะอันนี้กำหนดขึ้นให้เป็นอาจุภะจะเป็นท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้ให้เป็นภาพอาจุภะปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราจิตใจเราเพ่งปัญญาต่อเข้าไปตรงนั้นแล้วแต่ไม่ให้ทำลายเอาทติตจดจ่อไว้ไม่ให้ภาพนี้มันเคลื่อนย้ายไปที่ไหนอา้ามันจะไปตรงไหนมาที่ไหนถ้ามันยังไม่พ อ, อกำหนดดูอยู่มันจะไม่เคลื่อนไหวไปที่ไหน ถ้าการพิจารณาอสุภาพอู่ฝังยังไม่พอปัญญายังไม่พอที่จะปล่อยวางมันได้กําหนดอสุภาพอยู่ฝังให้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแล้กําหนดนานเท่าไหร่มันก็อยู่ที่นั่นนานนี่แสดงว่ายังไม่พอกับความต้องการเอาที่นี่ขยายออกอพิจารณาอย่างเก่านั่นแหละให้มีความจำเนี้ยจำนานเข้าไปเอามาตั้งอีกนี่เป็นการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความจัดความจริงตัดสินตนเอง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 หัวใจของตกด้านแหลกนี่เราให้พิจารณาถึงอสุภา่าอสุฟังนี่ให้เต็มที่กําหนดให้ตั้งอยู่ยังอะไรอา้าวตั้งกําหนดให้ทําลายเมื่อใดเอาให้ทําลายให้รวดเร็วเท่าไหรก็รวดเร็วนี่เมื่อมันทํานานอย่างแล้วแล้วกําหนดมาตั้งไว้ที่หน้าของเหล่านี่ยนะเอาทีนี้เอาความจริงจะดูความเคลื่อนไหวของอสุภ่านี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหน เราจะหาความจริงจากจุดนี้คือจุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าใจว่าทำนาญแล้วเนี่ยการพิจารณาอสุภะแล้วเอาจุดนี้มาตั้งไว้กองหน้าของเราเอา้ามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ต้องมีใครมาบอกบาสอนเราดูไว้เวลานั้นอย่าทําลายอสุภะอสุภังที่ตั้งไว้นั้นในเวลานั้นนะอย่าทําลายเอา้ามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนมันจะไปข้างหน้าหรือมาข้างหลังหรือจะไปทางซ้ายทางขวาหรือจะเข้าจะออก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 ตั้งไว้นั้นแหละเอา้ามันจะไปไหนให้อยู่ในปัจจุบันของนี้แหละมันจะไปไหนนี่แหละเราจะไม่บอกในระยะจากนั้นไปให้เป็นเครื่องตัดสินของท่านผู้บําเพ็ญธรรมะท่านนี้เองนี่เแื้อจากนั้นแล้วน้าะผ่านครั้นี้เขาไปแล้วมันบอกเองเรื่องกามรมาเกลืเรื่องตัดสินมันจะบอกเองในตัวเองนี่จุดนี้เป็นจุดที่จะตั ด, ตดสินการมาราคะตัดสินได้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 ภายในจิตใจอยู่นั่นแหละนี้เมื่อเวลาได้เข้าใจในนี้แล้วเราก็ฝึกซ้อมนี้จิตใจของเราเมื่อได้ระดับแล้วเป็นที่แน่ใจว่าเอาเละทีนี้หมดแล้วขาดจากกันแล้วทีนี้ฝึกเข้าไปซ้อมเข้าไปจิตอันนี้จะมีความ <c oughs> ทำนี้ทานานไปอีกขั้นหนึ่งมีความละเอยียดไปอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเอาฝึกซ้อมเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละนี้เองที่เป็นพักจีพยานตามที่ท่านแสดงไว้ในอันในธรรมว่า <c oughs> พระอนาคามีนั้นเมื่อบรรลุถึงขั้นอนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกคือจิตดวงนี้จะไม่ถูกกดทวงดึงลงเหมือนแต่ก่อนเมื่อที่มีกา ร, รมราคะผูกพันอยู่พอกา ร, รมราคะหลักใหญ่ของกา ร, รมราคะขาดตรงไปแล้วเรียกว่าสอบได้แล้วห้าสิบเปอร์เซ็น นี่นี่หมายถึงฐานะของเราผู้เป็นนัยยะผู้ได้รู้ชา้ารู้เร็วนี่จึงบอกลำดับลำดัไว <c oughs> อันนี้พอ <c oughs> ได้รู้ชัดเจนนี้แล้วจิตใจนี้จะไม่หมุนลงนะไม่มีอะไรมาดึงใจนี้ลงมีกามวิเลศเท่านั้นดึงลงดึงลงตลอดเวลาพอวิเลศขาดออกไปในขั้นนี้แล้วจิตจะค่อยหมุนขึ้นเป็นลำดับพิจารณา ฝึกซ้อมจิตใจดวงนี้แหละด้วยอสุภะดังที่เคยปฏิบัติมานั้นจิตใจจะละเอียดลงไปละเอียดจนไปและความหมุนตัวขึ้นเรื่อยๆหมุนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วละเอียดขึ้นเรื่อยๆนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านไม่กลับมาเกิดอีกก็คือมีกามมกิเลสอันเดียวดฉะนั้นดึงลงมาสู่นรกอเวจีได้เพราะกามมกิเลสทีนี้พอนี้ขาดลงไปแล้วจิตใจจะ เบาลงไปเบาลงไปเบาจนกระทั่งเบาหิวเบาหิวกำหนดภาพกำหนดภาพซักฟอกตัวเองซักฟอกตัวเองในส่วนที่เป็นมณฑินอันละเอียดติดแนบอยู่กับจิตซึ่งอยู่ในขั้นอนาคามีที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่สิ่งเหล่านี้ความมณฑินเหล่านี้จะค่อยกระจายละเอียดลงไปละเอียดลงไปด้วยการฝึกซ้อมของเราฝึกซ้อมแล้วเพราะละเอียดเข้าไปเท่าไหร่จิตยิ่งหมุนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อย อย่างที่ท่านเทียบไว้ในสุทธาวาส้าชั้นนั้นนะอวิหาอตตปาสุทัศสาสุทัศศีอคินฐานี่แหละระดับของพระอนาคามีพอได้ระดับเบื้องต้นที่ว่าสอบไล่ได้แล้วหากว่าตายก็จะไปเกิดใน น, นี่น่อวิหา แล้วเลื่อนไปอตัตตาปะและเหยียดเข้าไปกสุทัศสาและเหยียดเข้าไปชูทัศสีอและเหยียดเข้าไปทั้งทั้งที่ยังไม่ตายก็รู้เป็นลาดับและเหยียดเข้าไปเต็มแล้วกลขึ้นอากติท่านี่เป็นชั้นที่ห้าของสุทาวาสหาชั้นพอจากชั้นนี้แล้วก็ดิดึงก้าวเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นพภาณาคามีเมื่อสาเร็จ เป็นท่านาคามีแล้วท่านจงไม่กลับมาเกิ ด, ดีท่านจะถ้าว่าเกิดก็ไปเกิดนาวิหากตปาสุรสาวุกษีเรื่อยไปแล้วพร้อมที่จะไม่กลับคืนมาไปจนกระทั่งทะลุพนิุพานไปเลย <c oughs> นี่ภาคปฏิบัติขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายจำเอาไว้พิจารณาอย่างที่ว่าวันนี้จำให้ดีด้วยนี๋ยวจำไม่ดีภาคปัญญาที่ออกการ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 ให้พระลูกพระหลานจำเอาไว้จำเอาไว้นะแล้วก้าวเดินไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงภูมิแล้วอักนิ t าเต็มภูมินี่ท่านเรียกว่าพระอนาคามีเต็มภูมิไปเต็มที่นั่นนะตั้งแต่อวิหาตะปานี้ยังไม่เต็มภูมิแตไ่ได้ได้ฐานเรียบร้อยแล้วว่าสำเร็จเป็นพระอนาคามี ถ้าบันไดก็ขั้นต้นบันไดของพระราชาพระอนาคามีมีถึงห้าขั้นถ้าเทียบบันไดขั้นหนึ่งอวีหาสองอัตปาสามสุรัาศรีทุตสีห้า ก, กนิฐานี่ลำดับของพร ะ, พระอนาคามีที่ได้ในขั้นต้นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนผู้รู้ทำโดยชิปปะพิญญาการกล่าวทั้งนี้เรากล่าว ตามธรรมดาของในยะอยู่กลางกลางในของคนเราธรรมดาไม่ได้กล่าวถึงพวกอุคติแต่อยู่วิปปิตันอยู่ซึ่งรวดเร็วพอถึงปั๊บนี่พุ่งเลยอนาคต อ, อ, อ, อ, อ, อวิหาตาปาที่พุ่งทะลุถึงกันอานาคามีถึงนิพพานเลยนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งไม่ได้นับเข้ามานี่ นี่ส่วนมากนักปฏิบัติของเรามักจะก้าวเดินไปตามนี้เพราะเป็นการาบําเพ็ญของผู้ที่อยู่ในถ้ากลางยากลําบากช้าก็ช้าแต่ถึงนี่เป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ที่รวดเร็วนั้นพอบรรลุปึง ป, งปงถึงที่สุดเลยนี่เรียกว่าผุ้คติจันทอยู่ผู้เรียกว่าคิด ป, ปาผิญญาผู้รู้ได้เร็วต่างกันอย่างนี้แต่ให้แยกแยกเอานะ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 ให้เมื่อเวลาเข้าถึงเข้าขั้นนี้ที่จะปล่อยวางที่จะสําเร็จเป็นขั้นที่สามคืออนาคานี้ได้นั้นต้องเป็นนักมวยก็เรียกว่านักมวยชุนละมุน ต, ต่อยกันอยู่วงในหมุนติ้วติ้วอยู่วงในคือสติปัญญาขั้นนี้ขั้นหมุนตัวติ้วติว้วอยู่กับอาุพะอาชุพัง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 พอจากนั้นก็นเป็นสติปัญญาอัตโนมตัติอันนี้หมุนตัวเป็นเตียวไปเลยเพื่อพร้อนถุกหนึ่ประหนึ่งวั น, นิพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วจากนี้ไปพอถึงขั้นอนาคาแล้วจะเหมือนดว่ามองเห็นพระนิพานอยู่ข้างหน้าข้างหน้าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วนี่ความเห็นโทดของยิเลศทั้งหลายนี้จะเห็นอย่างเต็มใจเต็มใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจความเห็นคุณ ของการหลุดพ้นก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านถึงได้หมุนตัวเป็นอัตโนมัติของสติปัญญายับรอไม่ได้เลยหมุน่ิ้วติ้่นี่สติปัญญาอัตโนมัตินี่คือสติปัญญาแก้กิเลสฆ่ากิเลสไปอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับงานอัตโนมัติของตัวแล้วไปลำดับลำดา <c oughs> นี่คือสติปัญญาอัตโนมัติทํางานแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติเทนี้เรื่องการความภาคความเพียรที่เราจะหมุนอย่างที่ว่าเพียรพยายามถูทายกันไปอย่างนี้ไม่มีในวงในในวงนี้วงที่ว่าสติอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติมีจะหมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกเพื่อความพ้นทุกแก้กิเลสโดยอัตโนมัติ อยู่ที่ไหนแก่ตลอดแก่ตลอดไม่มีความว่าพักจึงต้องย้อนติดอัตโนมัติสติปัญญาธรรมนี่เข้าสู่สมาธิคือความสงบไม่เช่นรัน้นจะไม่อยู่แต่เลิดเปิดเปิ ด, ปดมันจะเลยเถิดนี่ท่านก็สอนให้ย้อนเข้ามาถึงจะเป็นการแก้ทุกข์เรดด้วยความเพลินใจก็ตามเมื่อกำลังบังชาไม่พอมั น, มนก็เหมือนมีดท้องเหล่านี่มันไม่คมฟันไป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 พระหลวงตาจะได้สอนท่านลูกพระหลานให้เป็นคติเครื่องเตือนใจนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวเขาสู่มรรคผลนิพพานซึ่งสขาจร้อนตามทางสัสดาที่สอนไว้นี่ไม่คือแม่ล้าสมัยไปไหนแล้วให้พิจารณาอย่างที่ว่านี่นี่แหละขั้นสติปัญญาตโนมัติพอจากนี้หมุนเข้าไปละเอียดละ อ, อเข้าไปละเอียดละ อ, อเข้าไปแล้วก็เชื่อมโยงถึงมหาสติมหาปัญญา เพียงขั้น ส, สติปัญญาอัตโนมัตินี่ก็ไม่มีเผลอแล้วล่ะเผลอจิตจะเผลอสติสตังเผลอไม่มีแล้วอพอก้าวเข้าสู่มาสติปัญญานอกจากไม่เผลอแล้วยังละเอียดเราซึมซาบไปหมดเลยสติปัญญาอัตโนมัตินี่ยังยังเป็นคลื่นเป็นคลื่นถ้าทำงานก็เหลือเหมือนเขาฟักลาบยำลาบ ถึงจะยำทียิบขนาดไหนมันก็เป็นคลื่นแห่งการยำราบอยู่นั่นแหละทีนี้พอก้าวจาก ส, สติปัญญาธรรมนี่ก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาที่นี่ลาบลื่นไปเลยซึมซาบข่าวิเลสก็ซึมซาบอะไรซึมซาบทั้งหมดนี่ไปตา ม, ตามกันนี่ที่เรียกว่ามหาสติมหปัญญาให้มันคลองในหัวใจของเร า, าสิ ทำมาวยเจ้าสบถแล้วนั่นสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่อผู้ว่าจะปฏิบัติคือพวกเดาวเองนี่ละที่เนี่กว่ามหาสติปัญญานี่การพิญญาสติปัญญาตโนมัติก็ถือเอาขั้นอนาคานี่อารมณ์ของอนาคานิมิตของอนาคาที่ฝึกซ้อมจนจนํนานีน้ํานาญแล้วไกลเป็นว่างไปหมดนะนี่สินำหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิตซึ่งเรามาตั้งฝึกซ้อมนี้หมดไปหมดไปหมดแล้วเขาเดีเ๋ยวก็สุดท้ายหมด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 สติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟความภาคความเพียรเหมือนกับไฟจหมุนเข้าไปพิจารณาชั้นเวทนาสัญญาสัางขารเวิญญาณ น, นี่ทีนี่เวทนา ก, ก็ถือเวทนาทางกายบ้างถือเวทนาทางจิตส่วนมากจะเป็นเวทนาทางจิตนะทางกายผ่านไปแล้วไม่ค่อยสนใจนี่สัญญาสัางขารเห็น ญ, ญาณมากจะมีแต่สุขเวทนาภายในจิตใจทุกเวทนามีแต่ว่าน้อยนอยลงไปโดยลดับสุขเวทนานั้นเด่นเด่น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 กลายเป็นปัจจัยการขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นนาคเนวอริยสัจสี่เป็นเต็มตัวแล้วเข้าไปนั้นเนี่ยจิตมันตามเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งเขไปเห็นต้นตออันใหญ่หลวงคืออวิชชาปัยาซึ่งเป็นกษัตริย์วัตจักรภายในหัวใจของเราเพราะสิ่งอื่นมันปล่อยหมดแล้วจิตใจว่างไปหมดเนี่ยทั้งๆที่ทจิตก็ยังไม่ว่างตัวเองแต่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 เต็มสัดเต็มส่วนเต็มเต็มมรรคเต็มผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วทีนี่ตัวในจิตเองก็ว่างภายนอกก็ว่างว่างหมดทั้งภายในมากว่างหมดทั้งภายนอกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยแป่นีมุติกิตวิมุติธรรมหรือเป็นธรรมธาตุล้วนๆปรากฏเด่นขึ้นมาถึงเรียกว่าสมมุติไม่มีเลยในจิตดวงนี้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 ตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นี่ล่ะมันศูนย์ได้ยังไงมันลงไปนโลกอเวจีมากี่กักี่กันทนทุกข์ทรมาณอยู่นั่นมันก็ไม่ศูนย์นั่นเองยอมรับทรม ท, ทุกข์ทรมานพอบาปกรรมค่อยจางไปยังไปจากนรกหลุมนั้นเลื่อนมาหลุมนี้แล้วจิตใจก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นล่ะ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 สัตว์ตั้งหลายโทษใดนโลกธานนี้ขาดสบัดลงไปในขณนะที่ <c oughs> จิตตาวิชาขาดลงไปจากใจจิตครองมีมุติหลุดโพรนไม่มี <c oughs> สมมุอะดรเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์ท่านจะไม่เคยมีถูกตั้งแต่ขณะท่านตัดสรุธรรมหรือบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นแล้วจากนั้นไปเป็นอนันตาการตั้งกับตั้งกันเนียกว่าเที่ยง ท่านไม่เคยมีทุกข์กเอกื้อตขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ขณะท่านตรัสจรูปทาข้ามาตรัสรูปคือสังหารนิเลสตัวเป็นเจ้าเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยกิเลสมีมากมีน้อยสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยให้รับความลาบากลาบนมากน้อยพอกิเลสนีขาดซึ่งเป็นตัวสร้างทุกข์นี้ขาดทะบันลงไปจากจิตใจแล้วไม่มีสมมติในใจเลยแล้วทุกข์ก็ไม่มีกิเลสไม่มี ความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ใน ใ, ในใจของพระอรหันต์จึงไม่มีตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้แล้วส่วนความทุกข์ทางธาตุทางขันร่างกายนี้มีเหมือนกันกับโรค ท, ทั่วไป <c oughs> พ เ, เพราะเหตุใดเพราะธาตุขันนี้เป็นสมมุติเหมือนกับสมมุติของโรคทั้งหลายเช่ น, นร่างกายของเขาของเราเป็นเหมือนกันเมื่อเป็นนั้นความทุกข์ประจําขันจึงมีเหมือนกันมีเก็บคล้องปวดซึษะ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 มันหนุนให้ไปเป็นสังขารวิญญาณนามรูปเลื่อยจนกระทั่งถึงชาตินี่แหะทีนี้ท่านจะรูกว่าเอวเมตัสาเกวราสะดุกขาขั้นตัสสะสมุทรโยห์เตะเหล่านี้เป็นสมุทรไทยการเกิดตายทั้งนั้นนั่น <c oughs> ทีนี้พอพิจารณาถอนวิชาไปแล้วสังขารก็ดับอวิชา มัะจจอภิชาญตะเวบอเซสวีลากานิโลธาสร้างคาลานีโลเลื่อยไปจนกระทั่งนิลโลโทโหเตะเหล่านี้เป็นมิมุติความดับทุกทั้งนั้นนั่นอภิชาดับเสียอย่างเดียวจนนั้นทุกทั้งหลายดับเพราะฉะนั้นสังขารที่คิดที่ปรุงวิญญาณรับทราบในขันตั้งห้านี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของติดที่บริสุทธิ์ไปไม่เกิดกิเลสไม่มีกิเลสเพราะขันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อน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 เนี่ยทีนี้พออจิตได้หลุดพ้นจากนี้แล้ ว, ลวอวิชาแล้วเนื้อตเววาดิดับหมดเมื่อดับแล้วกับสังขารก็ไม่มีไม่มีกิเหลสไม่เป็นสมุทัยวิญญาณอะไรไม่เป็นสมุทัยเป็นแต่เครื่องมือของธรรมแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือทำเป็นเจ้าของของขันนี้ท่านไม่ยึดใช้ไปถึงวันนิพพานนี้เท่านั้นแต่ก่เหลืส ย, ยึดกระทั่งวันตายไม่มีวัน ถอยละนี่ต่างกันอย่างนี้ขันเป็นขันของพระละหาัน่วนขันของของพิเลนนั้นมันเป็นเราเป็นเขาไปหมดนี่ให้พากันจํา <c oughs> ด้วยเห็นนี่เองพาระละหาันท่านจริงไม่มีจิตไม่มีทุกในจิตทุกในจิตไม่มีเลยตั้งแต่ขณะท่านาตัตตุลูธรรมมีก็คือว่าบรมมาสุขบรมมาสุขนั้นเป็นถูกนอกสมมุติก็เป็นความเที่ยงเหมือนกันนั่น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 แต่แยกออกมาเป็นสมมุิให้เราตั้งหลายที่ก้าวกำลังก้าเข้าสู่มรรคผมนิพพานหรือมิมุดนั้นให้พากันเข้าใจเอาไว้เท่านั้นแหละ <c oughs> นี่เป็นเรื่องสำคัญนะจากภาคปฏิบัติมาสุดสิ้นที่ตรงนี้ตรงพิจารณาด้วยกิตติภาวนาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมาธิปัญญามิมุหมดหลุดพ้นเป็นลำดับลำดานี้จิเลืก็เป็นนั้นว่าหยุด ตั้งแต่ทิเรลืขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วพระอรหันท่านไม่ได้ทำความเพียรเพื่อละที่เหลืตัวใดไม่มีแท่านจึงแสดงไว้ในธรรมว่าวุชิตังประมาจดียังกระตังกรณียังนั้นเศรษฐกิจพระมจันคือการละการถอนทิเหลสการบำเพ็ญธรรมกับการถอนทิเหลืมันก็เกี่ยวโยงกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละ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 ของพระพุทธเจ้าดีไมด่ดีเราสู้ท่านไม่ได้นะเ <c oughs> พราะเหตุอะไรทั้งๆ ท, ที่ท่านมาเลยภาวนาเพื่อระกเกลเอแต่เหตุจําเป็นที่ท่านจะบําเพ็ญหรือภาวนาอยู่นั้นมีประจําขันของภาระรามีเช่นเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันเพื่อบรรเทาธาตุขันในเอียบทต่างๆยืนเดินยืนนอนยืนนานก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานก็ทุกนั่งนานก็ทุก เพื่อบรรเทากันให้อยู่ในความพอบอกพอดีในระหว่างขันกับจิตที่คลองกันอยู่นี้จากนั้นก็เข้าสู่สมาธิเ พ, เพื่อสงบอารมณ์คือขันภายนอกพิจารณาร้านอาัตต์ด้านธรรมภายใน จ, ใจิตใจเอาอย่างพระอุเ้นก็สองโลกธาตุวางอันเถนะเนี่ยพิจารณาเลงยาดูสัตว์ตโลกด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นนี่ พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพระอรหันต์ท่านกระทำเต็มภูมิของท่านพิจารณาเต็มภูมิเต็มกำลังของท่านนั่นแหละนี่มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเพื่อบรรเทาขันประเภทที่สองเพื่อพิจารณาเรื่องอกักเรื่องธรรมข้างหลัง่วนพิจารณาท่านเองท่านไม่มีพิจารณาเกี่ยวกับสัตว์โลกดูสัตว์โลกต่างๆนี่แหละท่านว่าท่านเพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม คือเวลายังครองขันอยู่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนเหล่านั้นแหละในการภาวนาในท่านผู้ที่เจลีลยแล้วมีสองประเภทดังกล่าวนี้ประเภทที่หนึ่งเพื่อบรรเทาธาตุขันประเภทที่สองเพื่อพิจารณาจิตกับธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายมีความดึกตื้นหนาบางอยาละเอียดตลอดถึงสัตว์โลกเป็นยังไงยังไงจะรู้ในเวลาท่านพิจารณานี้ แจ่มแจ้งขึ้นอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่รธรมรมดาท่านก็รู้จำธรรมดาถ้าทนพิจารณานะั้นก็ยิ่งละเอยียดรอเข้าไปรู้มากเข้าไปโดยลาดับธรรดานี่ผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของผู้บำเพ็ญทั้งหลายขอให้พระลูกพรหลานตลอดประชาชนลูกหลานทั้งหลายจำเอาการพูดทั้งนี้เราพูดเอาเป็นแบบฉบับได้เลยเพราะหลวงตาไม่สงสัยแล้ว สีงล น, น, นี้ถอดออกมาจากหัวใจทางนั้นวิธีการดําเนินแบบไหนแบบไหนถอดองกมาจากการดําเนินของตัวเองจนกระทั่งรู้เห็นประการใดถอดออกมาหมดจนกระทั่งถึงพิมุติหลุดทนจิตมันผ่านไปก็บอกว่าผ่านไปลุดพ้นก็บอกหลุดพน้นเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับและปลูกจิตปลูกใจเพื่อเป็นกําลังใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลายว่ามรรคผลผนิพพานไม่ได้อยู่ตามดินฟ้าอากาศ ไม่อยู่ตามเว ล, เวลาเวลานั้นสิ่งเวลานี้สุดในผู้ที่แก้วนิพพานอยู่เมืองอินเดียเราอยู่เมืองไทยนี่ไม่มีหวังแล้วนั่นมันชิดไปอย่างนั้นนะนีะ่มันไม่ใช่ากาลิโกมันเป็นกาลีโกคือเอาการเอาเวลามาเหยียบมาบีบปี้สีไฟการบำเพ็ญธรรมมันก็เข้ากันไม่ได้ยี่เหล่มันไม่เห็นมีเวลาเวลาความโลก เกิดได้ทุกเวลาความโกรธราคะตัณหาเกิดได้ทุกเวลานั่นทีนี้การบําเพ็ญธรรมเพื่อดับที่เลสตั้งหลายเรานี้ทําไมจึงดับไม่ได้ทุกเวลาเพราะเป็นของคู่เแียงกันดับกันได้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปกล่าวถึงเรื่องสมัยนั้นสมัยนี้อย่าไปทิ่เรื่องกิเลสหลอกลวงเท่งนั้นให้บําเพ็ญตัวเองกิเลสจริงๆมันเกิดอยู่กับใจของเรามันไม่ได้เกิดอยู่กับการนั้นสฐานนี้นะนั้นเกิดอยู่กับใจให้แก่ <c oughs> ตัวเองด้วยอัตยุทธ์ธรรมตลอดเวลานี่วันนี้ก็ได้แสดงถึงอัตธรรมให้บรรดาพระลูกพันหลานทั้งหลายได้ยินได้ฝังในอัตธรรมสมกับาาาศาสนาพุทธของเร า, าศาสนาธรรมของเหล่านี้คือตลาดแห่งมรรคผลมิพานตลอดมาและจะตลอดไปถ้าผู้ปฏิบัติตามสภาธรรมที่ตรัสรรไว้ชอบแล้วนี้มีอยู่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 มันอ่อนแอท้อถอยในศีลในธรรมแล้วหนักแน่นมั่นคงมันเป็นบ้าไปทางกิเลสตัณหาที่นี่กลายเป็นศาสนาเสื่อมแล้วเลยกลายเป็นผู้ปฏิบัติทันนั้นกลับตัวมาเป็นข่าศึก ต, ต่อบ้านต่อเมืองต่อศาสนาที่อีกเพราะหมุนอกจากธรรมแล้วกลายเป็นกิเลสเป็นกิเลสก็กลับกลมาเผาชาติบ้านเมืองเผาศาสนาไปอย่างนี้นะให้พากันระมัดระวังอื วันนี้เราทั้งหลายก็ได้มารวมกันประชุมจำนวนพันพหมื่นหมื่นก็เพื่อรักษาป้องกันทั้งชาติทั้งพุทธศาสนาที่เราเทิดทูนทั่วประเทศไทยอยู่นั่นแหละเพราะมีสิ่งเหตุเดียวห้ายทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนทําลายเผาไหม้ทั้งชาติทั้งศาสนาเป็นไปในอันเดียวเวลาเดียวกันในเรื่องเดียวดาวในเรื่องราวเดียวกันมันเกี่ยวโยงกัน จริงได้พากันออกมาแม้จะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาที่ไหนเมื่อบ้านเมืองที่รับผิดชอบด้วยกันเกิดขึ้นในเรื่องราวที่ไม่ดีจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไม้ชาติและศาสนาของตนต่างองค์ก็ต่างออกมาชำระสาสางตักจินหรือแสดงความเห็นให้หมู่คณะทั้งหลายได้ฟังแล้วประกาศออก จบออกทางไหนก็แล้วแต่บรรดาท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบเองหลังจากการประชุมแล้วในผลของการประชุมเป็นอย่างไรนี่อันนี้ก็ท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบเอง น, นี่เป็นว่าเป็นวิสามันสมัยเหมือนกันเพราะค่าวนี้เป็นคราวที่พระเนรทั้งหลายมามากเกี่ยวกับความกระทบกระเทือนอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องศาสนาซึ่งเป็นให้ความร่มเย็นแก่ ชาติไทยเรามานานชาติก็ได้ประครับประครองมานานทีนี้เวลามากระทบกระตือนกระทบกระตือนทั้งชาติทั้งศาสนาไปในแนวเดียวกันหนุนกันไปหนุนกันไปทางชาติก็จะเกิดความเดือดร้อนหนักใจทางศาสนาที่ไม่ดีจมมากก็นั้นจมถ้าธรรมดาเวลาที่มันเริ่มผล น, นี้กําลังไฟจ่อเข้ามาจ่อเข้ามาถึงศาสนาที่เป็นความชอบธรรมของศาสนาศาสด า, ส า, สดาชอบแล้วให้ก่อนร่มเย็นแก่โลกทั้งหลายมานาน นี่ก็สองพันห้าร้อยปีกว่านี้แล้วมันไม่เคยมีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะศาสนาพาดําเนินในแนวทางที่ผิดผู้ดําเนินตามาศาสนาธรรมได้รับความสงบเย็นใจตักปลงมรรคผลนี้พ่านเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ก็ได้มาปรากฏขึ้นแล้วมรรคของเกเรคือเอาฟืนเอาไฟมาเผาทั้งชาติทั้งศาสนาประกันนี่มรรคของเกเรคมันกําลังกอ่อตัวขึ้นมา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 อันใดผิดบอกว่าผิดอันใดถูกบอกว่าถูกประคับประคองสนับสนุน่วนที่ถูกให้เจริญรุ่งเรืองแน่นอนมันแน่นหนามันคงต่อไปอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยปัดออกปาดออกนี่ท่านมานี่ท่านมาเป็นแนวที่มุ่งคลแก่ชาติแก่ศาสนาของเราถ้ามาจะมาทำทำลายหรือทําให้ความกระทบกระเทือนแก่พี่น้องตั้งหลายในแดนจาวฟุและแดนไทยของเราท่านมาด้วยความ ด้วยความเป็นธรรมมาประชุมกันด้วยความเป็นธรรมมาท่านม่ไมาก่อมอบอเกแม่ท่านไม่ได้มาห า, าวิธีบีบบังคับนั้นบีบบังคับผู้นี้ให้ทําตามอย่างไรให้ทําตามอย่างนี้ด้วยอำนาจปาดเถื่อนของตนของการป่าดเถื่อนเหล่านี้ท่านไม่มี ท่านมาระงับดับสิ่งที่เป็นป่าเป็นเถื่อนเป็นฟืนเป็นไฟตั้งหลายเพื่อให้สงบตัวหนผู้ปฏิบัติศาสนาจะได้ปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายร่มเย็นเป็นสุขตักตัวอวบุ่อ น, ก น, นอกุศลมรคนิพานไปเรื่อยๆมีความสบายเมื่อไม่มีมหาภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเอาบ้านผ้าห่วงเขาศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นท่านถึงได้ออกมามาออกมานี้ท่านมาด้วยความพอใจในนามที่ว่าติท่านเป็นชาติไทย แต่แล้วองค์ระองค์พ่อแม่ของท่านมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกภาคเมื่อศาสนาเดือดร้อนแล้วชาติเชเดือดร้อนท่านก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันก็ช่วยกันดังที่เห็นนี่แหละวันนี้การแสดงธรรมให้บรรดาพระลูกพระหลานทาั้งหลายฝั่งก็คิดว่าจะพอได้แนวทางให้พากันตั้งใจปฏิบัติยาสายแสหาเรื่องโลก่ังสารหาฝืนหาไฟ ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสมกับเราเป็นบนรรพชิตคือนักบวชบวชแล้วหน้าที่ของเรามีการชําระที่เหล็กตัญหาชําระชั่วด้วยการทําดีตลอดไปนี่ถูกต้องนะอยาะ่ยาเสาะอย่าแสวงหาเรื่องที่เด็กตัญหามันเต็มหัวใจของเราอยู่แล้วให้ชําระศาสตรสาวออกไปให้บาบางทำจะได้งอกเงยขึ้นมาใจของเราจะมีความสงบร่มเย็ดถ้าเป็นผลมากกว่านั้นก็ เป็นมหามงคลแก่ตนด้วยแก่โลกทั้งหลายที่เขารียกปูชาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพุทธทางสนามกฉามีธรรมังสังทังสนามกรฉามินี่เป็นมหามงคลแก่ชาวพุทธของเราเพราะท่านได้มาเพ่งมาแล้วอย่างเต็มเมตเต็มหน่วยแล้วมาแจกจ่ายให้ประชาชนจัดโลกทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญ น, นี่ก็ขอให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติให้เป็นที่มงคลแก่ตนให้มีความมิตรายต่อบาปต่อกำ เพราะสิ่งนี้มันเคยเผาผลาญโลกมานานแล้วบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเรามานานให้บำเพ็ญทางกุศลให้มากด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมประจําใจผู้ใดมีศีลมีธรรมประจําใจมีฮิเดโอตปะสรุปตัต่อบากต่อกรรมระมัดระวังตัวอยู่เสมอสังหรวนระวังด้วยศีลด้วยธรรมแล้วผู้นั้นที่ว่าเป็นผู้มีศาสดาประจําตนศาสดาคืออะไรคือธรรมและววินัยนั่นแหละนั่น ที่พระพุทธเจ้าแระทานไว้แล้วว่าทำรรมและววินัยนั่นแหละเรเป็นศาสด า, าของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อเป็นเชนั้นใครเป็นผู้เขาลบทำมิในเทิดทุนทำมิในด้วยการปฏิบัติดีไปว่าชอบผู้นั้นแหละคือมีศาสด า, า, า, าปกครองไปตลอดเลยผู้ใดไม่มีทำมิวินัยแม้หัวลดนล้นอย่างพวกผ้าของเราก็ หัวล้นเฉยๆไม่มีใครตำหนิหัวล้นทาเนี้เขาตำหนินะทำไม่ดีไม่ถูกนี่ให้จำเอาหนะบันดาพระลูกกหลานอยากมีศาสดาประจำตนขอให้มีทรรม่ได้ไประจาตนจะมีศาสดาประจำเราไปที่ไหนก็ไปกับศาสดาไปกับพระพุทธ เ, เจ้าแล้วจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงการแสดงธรรม ก็เห็นว่าสมควรแจกการเวลาและธาตสันที่อำนวยเพียงแค่นี้ยิงขอความสวัสดีเป็นมงคลตองมีกับแก่บรรดาพระบุพาหลานทั้งหลายตลอดประชาชนหรือน้องชาวพุทธทั้งหลายโดยทั่วกันเธอ